เป็นผู้ตกต่ำล่มจมทั้งทงที่มีพรามผู้รู้ไตรเวทก็ยังกล่าวคุณของสมณะศีษโลน้นนางตอบว่าถ้าท่านรู้ถึงศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคก็จะไม่สำคัญเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรดาควรบริภารเลยมานพจึงสั่งว่าถ้าสมณะมาหมู่บ้านนี้ก็พึงบอกแก่ข้าพระเจ้า